นี่ไปจเจตให้ฟังวันนี้เป็นวันบณรศรีทีส่สิมหาธรรมแหงสุขปักคือเดือนหกเพ็ญเป็นวันตกลกันกับวันเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าวันตรัสลูกวันประรนิพาน ซึ่งอากันสมุิเรียกว่าวันวิสาขบูชาวิสาข์ ก, ก็แปลว่าเดือนหกทั้งสามการที่ว่านี่แหละของพระพุทธเจ้าของเรามาบรรจบครบวันเดียวกันคือเดือนหกเพ็ญหมายความว่าตอนพุทธเจ้าประสูติคือเกิดก็เป็นเดือนหกเพ็ญ วันตรัสสรู้ก็เป็นเดือนหกเทนวันเปรินิพพานก็เป็นเดือนหกเทนถ้าจะถือตามเลิกคนที่ได้เลิกทั้งเกิดทั้งตรัสสรู้ทั้งนิพพานคือตายมันจบครบวันเดียวกันที่นี่หาได้ยากการที่โลกทั้งหลนิยมถือกัอนว่า เป็นสิริมงคลหากคนธรรมดาสาวารได้ยังงี้เกิดวิเศษสูงสุดก็เดียวแต่นี้พระพุทธเจ้าของเรายังสูงสุดยิ่งกว่าเริองีอีกครับครานี้เราถือพุทธศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาคือทำคำสอนได้แก่พระพุทธเจ้าได้แก่พระ โคจะมันคือพระโคดมบรมโคของพวกเราเรานัดถือทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเราบูชาพระองค์ท่านเราจึงได้มาทําการระลึกถึงท่านถึงวันเช่นนี้มาแล้วพุทธประวัติศาสตทุกแห่งทุกหนที่นับถือพระพุทธเจ้าจะต้องมีการ การบูชาเรียกว่าอามิตรบูชามีบูชาดอกไม้ทุกเพียรระลึกถึงพระคุณของพระองค์จัดเป็นการมาพระจกุศสนส่วนหนึ่งนอกจากนั้นอีกเป็นนิมิตอันดีงามของพุทธศาสนิใกชนที่นับถือพุทธศาสนา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 หรือสนบุบธรรมเนียมันดีงามนี้เสร็จแล้วก็จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องหมายในรัฐที่นั้นโอเคนี้นะ น, นะหรือวัฒนธรรมท่า น, นั้นเรานับถือพุทธศาสนาเรานิยมพุทธศาอัเรานิยมโอเคเนียดีงามคือถึงวันวิสาขคือเดือนหกเพดังที่ว่างานี้ ก็จะต้องมีพิธีทําการบูชาด้วยอมิสบูชารักษากระดูกเทียมโอเคนียดีอันนี้อันดี น, นี่ไว้อันนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องคุณงามกลมดีคนเราถ้าหากขาด ก, การระลึกคิดถึงความดีของกันและกันจะแล้วเราจะไม่มีการทํำกลมดีเฉยเลยแค่ตัวอย่างเห็นได้ไ ง, ง่ายๆ รรงนั้นถามบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเกิดมาจะต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันก็จริงเลแต่นั่นเป็นสัญชาติยานของสัตว์ทั่วไปมีความรักก็จริงเลี้ยงดูให้กันเติบโตขึ้นมาแต่สัตว์ทั้งหลายนั่นหาได้รู้จักบุญคุณของกันและกันไหม พญานาคเพลมึงเขาเติบโตขึ้นมาก็มีอาการตอบแทนบุญคุณกันนะะละกันเขาจะเห็นใดทัดบางงวควายและบางชัดบางยักษพวกก็ เ, เติบโตมาก็ไม่รู้จักบิก น, นะะดามมนดาอิศราริษยากัดกันกินฆ่าฟันกันมีสิ่งที่เลวทรามคือคนที่คือสิ่งที่ไม่รู้จักบุญคุณของกันและกัน มันเปลีนอย่างนี้ทํำกลมหายนะลึกเสื่อมให้แก่กันด้วยกันอันนี้ม น, มนุษย์ของคนเราหาได้เป็นเช่นไม่มีความร ะ, ะลึกคิดถึงบุญคุณของผู้มีบุญคุณเรียกว่ากัตันยูผู้ทําบุญคุณให้แก่เราก่อนกัตเวทีจะต้องตอบแทนทดแทนบุญคุณของผู้ที่ทาบุญคุณกับ เหตุนั้นจึงมีข น, นมขนธรรมนียมันดีงามอย่างเราทำวิสาขาบูชาแล้วเราลึกถึงคุณพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานโอวาทศารราคำสอนให้พวกเราได้รู้จักดีจากชั่วบากบุญคุณประโยชน์ไม่แช่ประโยชน์ เรียกว่าพัฒนาจิตใจของคนเราให้เจริญงอกงามขึ้นมาสูงกว่าระดับเดิมระดับเดิมพวกคนเราก็ไม่่อยทิ้ดแยกอะไระนักกับกักดังอธิบายมาแล้วแต่นี่จิตใจของเราอาศัยคุณธรรมคือคําสอนพุทธเจ้าพื่อกงบลมทุกคนเพียงแค่รู้จักบุญคุณเพราะผู้มีคุณเราไม่ลืมเมือคุณของผู้ดีเจ่าผู้ที่ทัน เป็นต้นเข้าคือเป็นผู้ไหว้วางศักวางศักดิ์สมาไว้เป็นหลักให้พวกเราดําเนินตามอยู่เราจึงค่อยได้พากันมาทําการบูชาพระคุณท่านอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของพุทธอ๊คกับพุทธจักรท่านนี้เฉพาะไปต่อไปเช่นคนธรรมดาสามัญเช่นพิธามัรดาของเราไม่ใช่แต่ว่าจะเลี้ยง ดูให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ฐานะเป็นคนฐนะแต่ยังให้ความรู้ความฉลาดให้วิชาอาชีพอย่างน้อยหรือมูลมรดกหามาไว้ให้เป็นทุนเป็นรอนแก่เราจะได้เพื่อจะได้ตั้งตัวตั้งตัวต่อไปถ้ามาลื้อถึงบุญคุณของท่านคุยธรรนให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วท่านยังให้ วิชาอาชีพหรือสอนชินธรรมพึงอาภรณ์ดีเราเลึกถึงบุญคุณทีกข่้นเราจะต้องตอบแทนทุกขั้นด้วยการทำดีต่อเทนนี่แหละการระเลืกถึงบุญคุณของผู้ที่ท่านทำดีต่อเราแล้วเราจะต้องทำดีตอบแทนบุญคุณทุกันมันมีกตเวทีด้วยประการอย่างนี้ หากไม่รู้จักบุญคุณของการระกันแต่ล้วจะไม่มีการทำดีเลยที่เราทำดีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะเรารู้จักบุญคุณของ่านที่ทำมีบุญคุณแช่เราจึงว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้ใน ล, ลึกถึงบุญคุณของผู้มีคุณทำให้ตัวเราดีขึ้นมาได้หากเราจะทำโกมชั่วทุจริตรูปิดเพราะขึ้นิดต่างๆนานานะ เราจะรา ล, ลึกถึงความดีของผู้มีพราะคุณแก่เราแล้วเราจะกดในการที่เราจะทำกลมชั่วนั้นเสร็ได้ถึงแมอยากจะทำแต่ไม่ลื้ความดีของท่านเป็นเครื่องระงับกดกลั้นจะถึงความชั่วนั้นเสร็ได้อันนี้พูดถึงเรื่องกตัตกันูวกัตะเวทีคือรู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้วเราทำดีต่อ เราทําดีทำํำดวงเราให้ดีขึ้นมาโดยระดับนี้พูจะอดเฉพงเรื่องพระุทธเจ้าและศาส น, นี้หายากทุกศาสนาซึ่งจะได้ศาสนาที่ดีเด่นหรือมีหลักฐานมั่นคงอย่างพระศาสนาของพรุทธเจ้าเราหายากผู้เดียวศาสนาอื่นเช่นศาสนาตาม เป็นกล่าวทั้งเรื่องประวัติศาสรานาตามแล้วเป็นศาสนาิยายหรือว่าเทวานิยายกล่าวไปเลือกเทพไปหมดแล้วใครจะไปรู้จักตัวเทพคนนั้นแต่พูดเป็นเรื่องนิยายว่ า, วาเทพองค์นั้นเป็นอย่งงางนั้นเทพองค์นี้เป็นอย่างนี้เห็นพระนาลายพระยสวนพระฤดพะพาในต่างๆจะตามเรื่องถก <Yeah. S 1> ไม่เคยเห็นตนเห็นตัว คล้ากัน็ว่าเอาเทวดามาสอนคนถึงแม้จะมีคุณงามความดีอยู่บ้างในศาสนานั้นแต่ก็เป็นเรื่องเทวัญใายเอาเทวดามาสอนคนศาสนาคริสเตียนก็เป็นคล้ายๆกับของฝังพระเจ้ามาสอนคนให้คนมาสอนกันเองอย่างนี้เป็นต้น และเรื่องเราจะเอาตัวพระเจ้ามาสแสดงนั้นหาไม่ได้เนี่ไม่มีใครเอามาสแสดงเลยตัวพระเจ้าตัวเป็นรูปร่างอะไรก็แล้วแต่ยิ่งไล่เขาไปตรงนั้นอีกสอนไม่ให้เอารูปพระเจ้ามาโคตรศรัทธาของเสด็จพระคือใครจะไปเขียนรูปพระเจ้าเขาไม่ได้เนะะี่ยเพราะมันไม่มีตนมีตัวถ้าไปเขียนนั่นก็ถือว่าเป็นบาปส่วนพธธระพุทธศาสนาของเราหาได้เปิดเทียนนั้นไหม มีหลักฐานยืนยันมั่นคงว่าพระสิตธัตุกุมารเกิดเมื่ อ, อไรณสถานที่ใดใครเป็นบิดามารดาใครเป็นพระญาติพระวงศ์ใครเป็นนักธรรมเฮตสีเทวี ร, ร า, าบุตร์ชื่ออะไรอายุเท่าไรจึงออกบวชบรรดาชาขาสมบุต เห็นเหตุการณ์อะไรที่เราปวดปวดแล้วทำอะไรกันบ้างถ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเห็นอะไรมีหลักฐานมั่นคงยืนยันได้เต็มที่เราสามารถพูดได้เต็มปากไม่กลัวใครเลยเอามาเปิดเผยได้เต็มที่จึงนับได้ชื่อว่าศาสนา เป็นศาสนาที่ดีเลิศทั่วโลกเรากระหายสามารถยืนยันได้เต็มที่เพราะประวัติมีไม่ยืนยั น, นไม่ได้เกรงใครนอกจากนี้ทำคำสอนพระเด็จเจ้าท่านไม่ได้สอนเชื่อโดยงมงายไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นวิพาศวิจารณ์ไม่ได้เป็นบาปตกลงโลกตายศาสนาพุทธนี้ไ ม, ม่มีขอให้มีวิพาศวิจารณ์เถิด ไม่เชื่อเดม ง, งงมงายเชื่อได้ถือตามตลรับตำาหรัอุรบาอาจารยา์เทศาสนางานงานถือละที่ทำนนยัอะไรใครบอกไงจะให้เชื่อเอาเลยไม่ได้เด็กขให้อ้างเหตุอ้างผลเชื่อโดยมีหลักฐานมั่นคงนี่มันดีอย่างนี้ศา ส, สนาพุทธที่เรามานับถือศาสนาพุทธนั้นจึงมาเป็นโชคลาภมันดีแสงดีที่สุด เนะีคราวนี้เมื่อพระองค์ออกบวชก็ไม่ใช่เป็นคนทุกข์ไร้อนาถาขาดยากขาดนิดหรือไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะท่านติดกษัตริย์คำว่ากษัตริย์ทั้งนี้ก็พอแล้วแล้วก็เต็มใจแล้วว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกอย่างนอกจากนั้นอีกวิชาที่พระองค์เจ้าได้ศึกษามาทุกลักธิทุก นิ่กายแล้วก็ที่เรียนมานั่นก็ไม่เชื่อตามลักที่นะยังต้องทดลองทุกคนดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่แต่ทดลองเต็มที่เต็มกำลังทุกอย่างทุกการในที่ที่ศึกษาเราเรียนเราเป็นของหนงคนเองเค็ดการทำทุกทการคืออย่างนี้เป็นต้นเมื่อทำเต็มที่ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกบอกว่าไม่จริง จนกระทั่งมาพึกฝนลพระองค์ด้วยทำที่เรียกว่าสมาธิได้เกองค์อริ ย, าารยามรรคทั้งแปดประการอย่างที่เราพาท่านทำนี้คือกรรมฐานนี่แหละพุทัดอา ร, รม์จิตใจนี่แหละให้เข้าถึงมรรคซะเรียกว่าอาริยามรรคทั้งแปดประการจึงได้สําเร็จเป็นตัวอย่างคําว่าสาเร็จในทีน่นี้นัะ เป็นภาษาราชศักก็คือคือได้ความรู้ทใช่คือหมายแปลว่าตัสรู้หน่ะหมายเป็นราชาสักนะธรมธรมดาสามัญพวกเราก็เรียกว่าสําเร็จการการรู้วิชานั้นเรียกว่าเรียนสำเร็จพระพริธญาณหนึ่งที่ได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้านึ่งหมายแปลว่าท่านได้ถึงขั้นธรรมะที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้า ด้วยมัดขบปฏิบัติคือสมาธิที่ตัวนี้เองก็งเห็นชอบเลยใยพระเดชเจ้าท่านสําเร็จได้อย่างนี้นจึงเรียกว่าสําเร็จโดยตนเองไม่ไมีครู ม, มีอาจารย์ที่จะอบรมดังนั้นเป็นของอาจารย์ไหมเราคิดดังนี้ไม่มีครูสําเร็จได้เองวิชานะเรามีครูสอนกันอย่างเรียนไม่สำเร็จกันเยอะ อันนี้ไม่มีครูสอนสําเร็จเดี่ยวนเองจะไม่น่าจะยัง ไ, ไงอันนี้ของจริงของที่พุทาได้สาเร็จนั้นท่านมาสอนพวกเราแล้วก็ลองฝึกผัสอบรมลองดูสิจะเห็นผลประโยชน์ขึ้นมาถึงจะไม่ได้สําเร็จวิชาในวิชาแขนงนั้นใ น, นหลักวิชานั้นก็ตามแต่ก็พรอบได้เห็นผลขึ้นมาบ้างเรื่องทําคุณงานความดี มีสิ่งตอบแทนคือปรากฏขึ้นมาในตัวขตัวนี้เรื่องต้นพระองค์สอนให้เราทำทานเงนียเป็นต้นคนที่ทำทานจาาฆ่าบริจาคโดยศรัทธาเลื่อมใสใจจิตมีสิ่งมากและน้อยกระตา่างทะละลงไปแล้วจิตใจเราจะอิ่มปกใจเบาปุกเบาใจเมือกบางควง ทำเท่าไรไม่รู้จัะอิ่มจบขอจะหมดมากคนน้อยไม่รู้จะกินจบพอเราเห็นคุณสมาแล้วอ่ะอ๋อมันทําให้คนให้เกิดคนาสุกอย่างนี้แค่การสละจากาทิ้งขอดทิ้งไปยังได้รับความสุขของทิ้งไม่น่าจะได้รับความสุขเดเลยวนี้ของที่หายไปน่าจะเสียอกเสีใจแต่นี่เปล่าหาได้เป็นเชนนั้นของที่สละจากข้างมไปมากเท่าไหรยิ่งได้ความ อกิงจัดนี่เราเห็นชัดแล้วอะทำทั้งสองพระเจ้าสอนให้ดีเป็นทางที่จะให้ถึงความสุขในกเกษมยิ่งได้จริงทีเดียวมีขั้นต้นขั้นที่สองสอนให้รักษาสิคืองดเว้นจากความชั่วโดวยกาาแระหว่าจ่าพ้อมันใจเจตนาวิริติงงดเว้นด้วยโดยใจความแล้วก็หมายความว่า รักษาความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นมาในตัวของตนเมื่อความชั่วมีในตัวของตนแล้วก็มันก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่ น, น, อ, นอย่างที่ฉันทามมาให้่าดสัตว์รักทรัพย์เพื่อพมพจาจานนี้เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นถ้าความชั่วมันไม่เกิดขึ้นมาในตัวของตนในจิตใจของตนแล้วเรื่องนั้นมันก็ทําไม่ได้ การที่รักษาตนแต่ละคนละคนก็เลยองสอนให้รักษากายใจของแต่ละคนละคนนั้นไม่ใช่ได้คนทุกข์เอเฉพาะเราความทุกขที่เกิดขึ้นจากเรานั้นหมายความว่าเราไม่มีคมเดือดร้อนวีตกทิสารอะไรในกายในใจทั้งตนมองรู้จริงไหนเป็นได้ของมูลสุดทางนั้นไม่มีคมชั่วติดอยู่ในกายในใจของตัวปรากฏชัดขึ้นงไหน แล้วคนอื่นก็พอได้รับความสุขด้วยเห็นชัดถึงมาอย่างนี้นะอ๋ออะที่พระองค์สอนในรักษาสินมันเป็นของดีอย่างนี้แล้วก็มองเห็นข้างหน้าเราไปรักษาสินถ้าได้ขนาดนี้ได้ความสุขขนาดนี้แต่รักษาสินแปดยิ่งจะดีขึ้นไปกว่านี้แล้รักษาสินสิบสินสิาหิาสิบยิ่งจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกมากแล้วมองเห็นอนาคตข้างหน้าแล้มองเห็นสองทางไกล ไปเห็นความดีนั้นเด่นขึ้นมาแับขึ้นมาเลยจ้ะอันนี้เราเชื่อว่าในคำสองโองในคันนี้นอกจากนั้นอีกผู้ที่มีศีลเป็นเครื่องกระดับผู้มีศีลเป็นเครื่องอยู่เช็นเครื่องดำเนินในชีวิตเราจะเกิดความอิม่มอกอิม่มใจเพื่อมปิติในกิจของตน สินไม่มีตนมีตัวเขียนแต่งไวเว้นจากครบชั่วเท่านั้นแหละแม้เมื่อกันเราได้ของมีตนมีตัวได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านจะไม่อิ่มไก่เท่ากันที่มีสินของมีมากๆเขียนเงินล้านเงินแสนเงินล้านเนี่ยไม่อิ่ม <ul ain> อกอิ่มใจเหมือนกับสินเกิดมีขึในตั ว, ม, ตวมันเป็นของอาจารย์ไหมละ่ะ ของได้ที่ไม่มีจะเปวัตถุไม่มีรูปไมีร่างทําไมไม่ยังเป็นของมีค่ามีประโยชน์เหลือเกินผู้ที่มีสิ้นห้าสิ้นแปดมีสิ้นจิตสินสร้อยเทียนแทนที่จะเป็นของหนักอกหนักใจของมากเปล่าหายได้เป็นเช่นไรมีแต่กลมเยือกเปลนเป็นถุกธรรมดาของมากมันต้องกีบขวงเนของหนักแต่นี่ไม่มีหนักไม่กีบขวงอะไรลุย นี่เรามองเห็นชัดอย่างเงี้ยทำขั้นสองคุณได้เจ่าท่านสอนให้เราเป็นคนดีได้เราเห็นชัดขึ้นมาในตัวขงองคุณทนนี้อันนี้เรียกว่าขั้นที่สองแล้ขอขั้นที่สองมานล้วเขมองเห็นได้ว่าเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ขั้นที่สามเสื่อมลมจิตฝึกฝนอารมจิต จิตของเรามันเป็นของวิ่งเต้นกระสับกระสายจิตของเราของคนเราเป็นของพุ่งซ่าเดือดร้อนคําธรรมดาคําว่าพุ่งซ่าเนี่ยคือหมายตึงว่ามันเดือดร้อนถ้าจะมาเปรียบน้ําเป็นของเย็นเย็นก็ถูกร้อนนันก็ันพุ่งขึ้นมาเดือดร้านใจของเราถ้าหาก็มันเดือดร้อนพุ่งซ่าก็เรียกว่ามันก ม, มันมันมันร้อนมันกระสับประสายไม่เจ็บของเย็นแผลของที่ร้อนร้อนคิดใจกระสับกระสายคงสร่นมันกัหน้าที่มันเดือดมันพรุ่งอันนี้พระองค์สอนให้เราสงบสอนให้เราอบรมจิตใจมันสงบถ้าต้องการความสุขล้วให้ทำใจให้สงบ ถ้าหากใครมารักษาจิตแฝงตนได้ทั้ ง, งหมดจะเห็นคนสุกขเกิดขึ้นมาอย่างไอยู่มากกว่าเรามีสินั่นสิความสุขความสบายจะมากกว่าเรามีสินั่นสิอันนี้ก็อีกแหละจิตสงบเท่านั้นอ่ะโดยมากคนทัท่วไปมันต้องเพลินต้องสนุกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆ ในเย็นเจงเขาขัดเขาเพลงจิตใจต้องส่งไปตามอารมณ์คือว่าสนุกไปตามอารมณ์มันถึงจะได้ความสุขมันต้องแปลีนงนานธรรมดาคนเราต้องเพ่ยแต่ว่าการที่จะให้สงบลงมาหาความสงบอยู่อันเดียวนะมันทำไม่ได้เหตุนั้นความสุขในการที่จะให้จิตสงบ น, นจึงยากคนเดียวเข้าใจ หากใครไม่ทําความสงบลงไปจนจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วจะไม่รู้สึกว่าความสงบีเป็นความสุขเลยอันนี้ถึงหากเรายังทําความสงบไม่ได้ก็ให้พึงเข้าใจไว้ก่อนว่าความสงบเป็นความสุขความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าสอนในพวกเราพาไปทําความสงบอย่างนี้ ถ้าใครทำกลมสงบลงไปได้ล่ะเนี่ยขนาดสงบ ก, ก็คักเดียวคู่เดียวก็ได้กลม เ, เยือกเย็นขนาดนี้หรือหมดร้อนเดือดร้อนรื่นวายก็แทบก็ตายหรือหมดแม้แต่กลมกลุ้ม อ, อกกลุมใจคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราอะไรอะวรมันหายไปโดยเด็ดขาดโดยไม่รู้ตัวเซะเลยเราเข้าใจางี้เราก็จะมองเห็นในข้างหน้าความสว่างของใจเราเลยจะมองส่องไปข้างหน้า หากเราสงบได้นนานหรือเราสงบอารมณ์ต่างๆทั้งหมดไม่ให้มีอะไรเลยมันจะได้คมตัวแค่ไหนแล้วก็จะได้มองเห็นี้ทำคำสอนพื้นยาสอนอย่างนี้อันนี้มันยังตรงนั้นจีตรงมันลำบากมันยากอยู่สุคือเราจะทำยังไงยิงแกมันสงบทำยังไงจิงแกให้มันปล่อยมันวางมันทอดทุระตรงนี้จีมันต้องมโหฬารขอยากเลยตรงนี้ ที่กำลังหัดพุกงพลุโงมาอยู่แตที่มันตรงนี้เองสิ่งที่มีอยู่มันเป็นเรื่องยุคอย่างอนธะิบายมาแล้วมีอะไรมายุ่งในจริงนะั้นมันมีแล้วเราไม่ยุ่งทำยังไงในสิ่งแกไม่ยุบทําไงจริงแกไม่วุ่นวายในจริงเทื่อันมีอยู่ของที่ไม่มีไม่ต้องละละของทิ้งที่เขาถือกันว่าอัตตาคือของมีอยู่ แต่ว่าเราไม่ถือเป็นตนเป็นตัวเป็นของเราอันนี้เป็นของธาร ม, มยากของไม่มีจะเรียกอัตตนั้นไม่เป็นของอยากอะไรเลยนี่เป็นคำพูดสูงไปชั้นหน่อยฟังยากถ้าหากเราจะพูดกั น, กนง่ายๆของที่ไม่มีแล้วไม่ตรงละคือมันไม่มีอยู่แล้วไม่ตรงละเนี่ยนี่ะระเบิของที่มันมี เขามันเมียนไปยุกเราจะต้องละอันนี้มันยากตรงนี้หรือจะพูดกันเป็นภ า, ารรษาศัพท์กันอีกหน่อยอ่ะอัตตากับสุญญตาทิตกันสุญญตาคือของไม่มีนี่นของศูนย์เปล่าเรียกว่าสุญญตาสุญญตาไม่ใช่อนัอนตตาอันตตาคือของมีแล้วไปเห็นของมีอยู่ไม่ใช่ของเรา มันเปลี่ยนสถานภาพของมันเองไม่ไม่อยู่ในบังคับของเราเรียกว่าอนัตตาเราไปเห็นอันนั้นมันเป็นอนัตตาของสุญญตานี่คือของมันว่างไม่มีอะไรแท้เลยเหตุนั้นไอ้สุญญาตานี่จะพิจารณาให้เป็นอนัตตาไม่ได้ตั้งพิจารณาอัตตาให้เป็นอนัตตาดัางอธิบายมานี้จะไปพิจารณาสุญญตาเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะบางของไม่มี ไหนจะพูดเข้มาหาหลักอีกว่ามีปัชนนาคือพิจานาของมีอยู่จึงเรียกวิปัสนนาเขาไม่มีไม่เป็นวิปัสนนาไหนจะพูดเข้าไปอีกเข้าไปหาหลักเขาเรียกว่าเขาไม่มีคือของว่างมันเป็นพวกฌานเขาไม่อยู่เป็นวิปัสนนาคือพิจนาเห็นของมีอยู่ตามผิดจิตแล้วจิตไม่เข้าไปยึดถือจิงเรียกว่าอนัตตา เห็นชัดแล้วไม่ถือในจริงจะเป็นอนันตราเห็นชัดยังถืออยู่กับยังเป็นอัตตาอยู่เหมือนกันนี่ทำคําสอนพระเดจเจ้าสอนอย่างนี้เราอยัางเชื่อมั่นแบบคําสอนพระองค์นี่สอนให้ดีขึ้นโดยลำดับละเอียดลงไปโดยลําดับเป็นชั้นๆลงไปทีเดียวเราผู้ที่มานับถือพรธศาสานามาแล้วลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ลึกคําสอนของพระเดจเจ้า เราจึงพยายามที่จะทําให้เป็นเหมือนกับท่านถึงไม่เถือนไม่เหมือนกันมันละไม้คล้ายกึงกับท่านหรือเรียกว่าดําเนินตามรอยพุทธบาทคือปฏิเ ว, วาตฐ า, ต า, า, ข า, น, านของพวกได้เท่าไรก็ตามกำลังกระนำของพวกเราเป็นผู้ระลึกคิดบึงมูฟุนะครับคิดเป็นคนงานคนดีครเพราะพูดอีกที่หนึง่งคําว่าการระลึกถึงกันนะจะระลึกโดยความรักความเสนหา เรืออะไรก็ช่างเถ้าเราเลึกถึงกันแล้วนั่นรับตาเยอะก็จะไม่ลืมลื้นตาเยอะก็จะไม่ลืมทําการทํางานสิ่งไหนเยอะก็จะไม่ลืมจะระลึกถึงสิ่งที่เราเสน่หาแลืออะไรอันนี้เรียกว่าระลึกถึงระลึกถึงซะก่อนท่านี้ระลึกถึงความดีล่ะคะนี่มันแยกออกไปอีกความดีคือความคุณงามความดีที่ อย่างพระพุทเจ้าของเรานะ่ะมีพระเมตตาคุณาวางศาสสนาไว้พวกเราดำเนินปฏิบัติฝึกหัดให้เราได้เป็นคนดีขดึ้นโดยลำดับเราจะระลึกถึงพระคุณขององค์ไม่ลืมไม่หายครันนี้เมื่อเราลึกถึงคุณบุญคุณเอยคุณงามควาดีของพรองค์ไม่รู้จักลืมหา ย, ยานนในทางหลักทั้งว่าอนุสติและลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ไอ้เรื่งของดีเท่า น, นี้เราจะละความชั่วไปในตัวเราเลยเห็นนั้นจริงว่าพุทธานุสติรธรรมานุสติทังฐานทสี่เป็นอนุสติที่ดีสามารถที่ทําจิตของเราให้เป็นเอกกัตาจิตใจเน่วแน่ยอยู่ในอารมณเดียวคือพระพุทธประทังประสบแต่ละอย่างละอย่างตีจิตใจเนียเน้ยแน่แน่แป้นอยู่อย่างนั้นตลอดการเวลา ถ้าจะพูดถึงเรื่องบุญก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ทุกเมือ่อสร้างบุญอย่างนี้ได้ชื่อว่าสร้างบุญง่ายที่สุดสบายที่สุดแล้วเป็นของดีรอดรวดบุญใหญ่ตัโตกาถามอีกด้วยมีคำว่าระลึกท่นนี้ระลึกถึงความดีแล้วนะมันยังมีอีกครังที่ดีติดตามมาอีกคือความเขารบเห็นความดีแล้วก็เขารบ เห็นความดีของท่านแล้วก็เคารพอีกเคารพท่านอีกเพราะเราดีไปถึงท่านจึงเคารพท่านอย่างเราเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีชิ้นสิบชิ้นสองร้ยิบเจ็ดเราชิ้นห้าก็ไม่เต็มบริบูรณ์สักทีเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็กล่าวไปเคารพนับถือท่านอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราดีไม่เท่าไม่ถึงท่านเราจึงเคารพท่านแล้วลึกถึงของดีแล้วยังไม่แล้วยังเคารพท่านอีก อันนี้คนทั่วไปแล้วค่ะนี่คนเราท่าเคียงแต่ว่านับถือกันเฉยๆไม่ถึงกับเคารพก็จะทําดีต่อกันไม่ได้เต็มที่บริบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากระลึกถึงความดีของกันแล้วยังเคารพอีกด้วยนั้นความดียิ่งค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้จึงเจดทําคุณงามความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ เคารวแล้วอีกยังมีอีกติดตามอีกคือรักคารวแล้วรักเช่นเราคารวะิดามารดาเพราะท่านมีประกาศคุณแก่เราแล้วเราก็คารวแล้วก็รักท่านหนักรักท่านเหลือเกินทคำว่ารักในที่นี้เน่ยไม่ใช่รักอย่างเกลียดกันหาอย่างแบบหนุ่มสาวรักกันหรือคนหนัดรักใคร่ รักเคารพบิดานั้นอยากบิดามดามดาพวกมีประกาศคุณอยากกราบอยากไหว่ยอยากนับถืออยู่ตลอดเวลาทําสิ่งไดสิ่งไหนก็อยากน้อมน้อมถึงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกเ่าคารพรักใครคารพนับถือและรักอีกด้วยทั้งคารพและทั้งนับถือและทั้งคารพแต่ทั้งรักสมบมูรณ์บริบูรณ์เลยทำคนงานคนดีสมบมูรณ์บริบูรณ์เลยหากเรานับถือพระเดชะศาสนาขึ้นแล้วก็ระลึกถึงคุณพระเจ้า แล้วเราก็เคารพแล้วก็รักเพื่ อ, องค์ถึงไม่มีตัวองค์ของท่านเห็นรูปของท่านตรงไหนก็รักและก็เคารพ ก, ก, ก, ก็รักมากจิตใจจะอ่อนนอ้อมกายวิจัยใจจะอ่อนนอ้อมคล้องไปด้วยกลุ่มเยือกเย็นดังไก่ของตนทิ้งจะจัดงเป็นวงของพุทธมีใหญ่นี่ทิฏเทศหนาในวันนี้ว่าถึงเรื่องพุทธคุณคุณทุกทุกเจชะ แต่ที่ว้ายตียออไปหลายนี่หลายมุมถ้าหากว่าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องนับถือทั้งทั้งสองพุทเจ้าก็ต้องระ ล, ลึกนับถือว่าพุทธเจ้าด้วยผู้ที่ท่านให้ให้ศาสนาให้พวกเราได้ดังเนินปิพิปปัตตาเป็นอนุสติผู้พิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานไปในตัวคือจิตมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งแน่วแนว่ทั้งนับถือทั้งเ่ารบและทั้งรัก คิดใจจะอยู่ในเอกกับต า, าลมอเ อ, อกกับตาจิตจะไม่ได้คิดพุ่งสร้างจังไว้ที่นอกทั้งอื่นนอกจากคุณพระพุทธเจ้าก็ระสมเหตุนั้นจึงจะได้ชื่อวเป็นบุญพุทธส่วนยิ่งใหญ่เป็นสั่งจงพากันตั้งใจปฏิบัติตามทำคําสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงหลหักนี้จะได้ชื่อว่าเป็นคนนับถืออย่างแน่วแน่นนับถือเคารพรักอย่างนี้นั้น ไม่ใช่ของตื่นต่ําจะเข้าถึงองค์อริยมรรคถ้าได้อย่างนี้เนียจะเข้าถึงองค์อริยมรรคยืนเดินนั่งนอนนี้เคารพนับถือรักอยู่ตลอดกาลเวลาถึงแม้กราบตั้งแต่แต่้างข้างอทีนี่เพราะมวลบริวรว่าทุกสิ่งทอย่างอย่างที่ว่านี้จะเป็นวลกุศลอันยิ่งเนี่ยคู่นั้นจะไม่มีใครนําให้ออกนอกศาสนาหรือยุ่ยแยให้ หลงเชื่อศาสนาและลัท <country> ธิอื <plup bible opus> ่นๆเลยไดเลยจะยอมตายถวายชีวิตในพุทธประดามพระสงฆ์ตลอดกาลเวลาเนี่ยที่บานในพุทธคุณก็สมงวนเดยกาลและเวลาด้วยเดยกาลเห็นไหม